ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเปลี่ยนชีวิตด้วยฤทธธรรมตอนที่หนึ่งโดยสมณทซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่15กรกฎาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัตรนี้ค่ะ ก็เมือีนี้เราได้ฟังคุณจำลองนะช่วยแนะนำตัวไปบ้างอาตมาเองก็ระลึกได้อยู่เหมือนกันว่าพบคุณจำลองเนี่ยนะเคยไปที่แต่ก่อนคุณจำลองไปช่วยทำขายอาหารมังสวิรัต ท, ที่ตรงออตกร์ซึ่งอยู่แถวจตุจักรนะอาตมาเคยบางครั้งถ้าวันไหนวันหยุด ไม่ได้ทำงานก็จะไปช่วยจำได้ที่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือโดยเฉพาะวันห้าธันวามหาราชนะเขาจะมีเปิดโรงบุญนะ อ, อัลตกรเนี่ยเราก็จะแจกอาหารให้อ่าผู้ที่เขาสนใจหรือว่าเขาจะรองกินอาหารมังสวิรัตเนี่ยนะฟรีหรือแม้แต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมา ก็สามารถที่จะแบบว่าเข้าไปกินฟรีได้เลยนะวันที่ห้าธันวาแต่นะมาก็เคยนะไปซึ่งยุคนั้นนี่มันก็สิบกว่าปียี่สิบปีมาแล้วะนะคนยังไม่ค่อยรู้จักเลยเรื่องของมังสวิรัตเพราะนั้นบางทีเนี่ยคนเขาอะไรล่ะมังสวิรัตไม่รู้เรื่อง นะยิ่งบอกว่าถ้าไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยโอ้โหแล้วมันจะไปกินลงแล้วมันก็ไม่อร่อยอสิก็เลยเจะมีคนคอยอยู่ด้านหน้านะเพราะว่า อ, อตโ ก, กตอนนั้นที่จะมาไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับที่ที่ต้องลึกเข้ามาหน่อยหนึ่งนะเพราะนั้นก็จะมีคนเนี่มายืนอยู่ริมฟุตปาดบาทงทีกเ็เชิญชวนคนบอกว่า ลองกินอาหารมังสวิรัตดูเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะอาดมาก็เคยไปไปเสร็จแล้วก็ไปชวนคนบ้างบอกคนบ้างาว่าตอนนั้นอาดมาเริ่มเพิ่งจำได้ว่าเพิ่งเริ่มหัดกินมังสวิรัติทั้งๆ ท, ที่ในชีวิตจริงๆไม่เคยนึกจะกินเลยนะมังสวิรัตเพราะแต่เดิมมานี่ชอบกินแต่เนื้อสัตว์ สารภาพเลยมาชอบกินแต่เนื้อสัตว์ผักไม่กินเพราะกินทีไรแล้วขมปากผักนี่ไม่กินเลยถ้ามีผักมีอะไรปนมานี่ก็เลือกกินแต่เนื้อสัตว์เสร็จแล้วตะหลังพอมาเริ่มได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างเริ่มเข้าใจในะเรื่องของศีลข้อที่หนึ่งบ้างนะที่บอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตชีวิตแล้วเราเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจได้มากขึ้น คราวนี้ก็เลยแบบว่าเออจริงๆแล้วก็ตัวอย่างก็มีคนที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์ได้ตลอดชีวิตก็มียิ่งพอศึกษาไปทางออประเทศอินเดียนะคพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทรงฉันเนื้อสัตว์มีเมื่อวั น, ว, นว า, น, ว า, น, วา น, นี้เองอาตมาอบรมค่ายจริยธรรมปรากฏว่ามีคนเขาถามว่าเอ๊ะท่านบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ฉัน เนื้อสัตว์ก็แล้วสุกระมัถวะเนี่ยไม่ใช่เนื้อสัตว์เหรือที่นายจุนท่าเอาไปถวายอาตมาก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่อาตมาศึกษาพระไตรปิฎกใหม่ๆเคยไปอ่านเหมือนกันก็คิดอย่างที่เขาคิดเหมือนกันว่าเออนี่ก็ต้องเนื้อสัตว์สิแต่ต่อหลังเนี่ยพอไปศึกษาดีๆแล้วแม้แต่ทุกวันเนี่ยพระไตรปิฎกท่านก็แก้ไขละเพราะไม่ได้หมายความว่า ในพิไทยพิดกนี่จะไม่ผิดพลาดเลยนะเพราะนบางอย่างก็ผิดพลาดแต่พอเรารู้เนี่ยเราสอบถามไปแล้วเขาก็ไปตามหาข้อเท็จจริงมาต่หลังนี่เขาจะแก้ไขแล้วแล้วเขาจะบอกว่าสุกระมัถวะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าเนื้อหมูอ่อนคือคือในในพิไทยพิดกเนี่ยตอนแรกเขาจะแปลว่าเนื้อหมูอ่อนเพราะเขาแปลตามตัวอักษรนะนะสุกระนี่ก็คือสุกร ก็แปลว่าหมูใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแปลว่าเนื้อหมูเสร็จต่อหลังนี่นะเขาก็ไปที่อินเดียกันเลยแล้วเขาก็ไปสืบไปคน้นจนกระทั่งรู้ว่าอ๋ออาหารที่เรียกว่าสุกรมัทวะเนี่ยจริงแล้วคือเห็ดแลนะไม่ใช่เนื้อหมูเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเพียงแต่ ว, ว่าเป็นเห็ดที่หมูเนี่ยชอบกินเขาก็เลยเรียกเห็ดชนิดนี้ว่าสุกรมัถวะ แล้วเราก็เอามาใช้ประกอบเป็นอาหารวันจริงๆแล้วก็คือพูดง่ายว่าฉันเห็ดนั่นเองแต่อาจจะทำไม่ดีอาจจะมีพิษมีอะไรนะซึ่งทำให้พระ พ, พุทธเจ้าฉันไปแล้วก็อาพาธนะแล้วก็ต่อหลังลก็เจ็บป่วยซึ่งอันเนี้ยพอศึกษาดีแล้วชัดแล้วถึงได้เออจริงๆเนี่ยนะยิ่งพระพุทธเจ้าเองท่านเป็นชาวฮินดู ชาวฮินดูนี่แน่นอนเลยเพราะชาวฮินดูนี่ไม่กินพวกเนื้อสัตว์โดยบรรพบุรุษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งยิ่งชัดเจนแล้วเขาก็เลยแบบว่าก็ถือว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นนักมังสวิรัติเอกของโลกคนหนึ่งเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยพออาจจะมาเรียนรู้เข้าใจศึกษามาก็เลยลองครานี้ก็เลยเลิกไม่ใช่เลิกง่ายๆนะเพราะว่าแหมเรากินมาตั้ง อาตมาก็กินเนื้อสัตว์มาตั้งยี่สิบกว่าปีเพราะว่าเริ่มเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยคืออาตมาพอเรียนจบจากจุฬาแล้วจบปริญญาตรีแล้วนะก็เรียนครุศาสตร์นะก็เรียนเป็นครูอี่ยแหละพอจบมาปรากฏว่าทดลองเลยทดลองมากินบางสิบวิลั ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องบังกินตลอดชีวิตอะไรนะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ก็ฟังพระเทศน์แล้วเราก็ดูพวก อ, อะไรตำลับตำลาดูพวกอะไรแล้วเอพูะเจ้าท่านก็สอนให้งดให้เว้นจริงๆท่านสอนว่าอย่าไปฆ่าสัตว์ชีวิตคือเราไม่ฆ่าเองแล้วก็ไม่ต้องให้คนอื่นมาฆ่าให้เราด้วยใช่ไหมพอศึกษาแล้วเราก็รู้สิรู้แล้วก็เลยทดลองดู แล้วตัวอย่างคนที่เขากินได้ก็มีก็เลยลองตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปี 2,521 ก็พอทดลองตั้งแต่นั้นแล้วก็เอ๊ะจริงๆมันก็ไม่ยากเกินไปนะแต่ตอนแรกที่คิดนี่ยากรู้สึกเอ๊ะจะไปเลิกกินทำไมมันเลิกก็ยุ่งยากจะไปกินที่ไหนก็ลำบากเพราะสมัยที่อาตมาเลิกใหม่ๆนั้นลาบากนะเพราะบอกแล้วว่าเขายังไม่รู้จักเลยคาว่ามังสวิรัต ไม่มีใครรู้จักเข้าร้านไหนไปร้านอาหารไหนก็บอกอะไรอะอะไรอะอาหารอะไรเรียกว่าบังสิวิลัดแต่ปรากฏว่าคือมันเป็นความตั้งใจที่ว่าเราจะทดลองอะไรสักอย่างแล้วเราอยากจะรู้ความจริงก็ต้องลองจริงๆถ้าลองเล่นเล่นก็ได้เล่นเล่นถ้าลองจริงๆถึงจะได้จริงๆก็เลยทดลองดูปรากฏว่าช่วงนั้นลำบากมากเลย นะเพราะว่าบางทียังทํางานอยู่เนี่ยบางทีจะไปโน่นไปนี่ไปที่ต่างจังหวัดบ้างหรือไปที่ไหนบ้างเนี่ยอา้าวแล้วยังไงอะ่ะแต่ก็อาตมารู้สึกว่าไอ้อุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยน้ำมันเอาไว้ฝึกเราอะ่ะพอมันมีปัญหาขึ้นแล้วเราคิดว่าเราตั้งใจจะทดลองกินบางเซวัตดูเออแล้วเราเราจะต้องแก้ปัญหายัางไงบ้าง ปรากฏว่าพอไปที่อื่นจำได้ว่าเคยเดินทางไปกับรถทัวร์บางทีเนี่ยก็จะมีพักกินอาหารให้เพราะว่าเราเดินทางไกลอะ่ะบางทีขึ้นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีระหว่างทางเพราะฉะนั้นพอระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะแวะเข้าร้านอาหารบางทีเราก็ถามเขาเลยบอกว่าเอเนี่ยบอกว่าเรากินอาหารที่ไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ นะเขาใช้อย่างอื่นเนี่ยใช้ใช้ผักใช้เต้าหู้ใช้อะไรที่มันเป็นพืชเนี่ยใส่ให้เราได้ไหมนะส่วนซีอิ้วเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ได้ไหมก็ไอ้น้ำปลาเนี่ยไม่ต้องใช้ได้ไหมใช้ซีอิ้วหรือซีอิ้วไม่มีก็ใช้เกลือแทนให้เราได้ไหมก็ปรากฏว่ายังไม่เคยเลยที่ว่าไปที่ไหนแล้วเนี่ยจะกินอะไรไม่ได้ ยังไม่เคยเจอเลยทุกที่ที่ไปปรากฏว่าพอเราถามอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยได้ไหมปรากฏว่าเขาทำมาให้ได้ทุกที่ทุกแห่งในที่สุดก็เลยปรากฏว่าเออก็กินได้ฮะมันก็กินก็เลยกินมาเรื่อยเลยกินจนกระทั่งเริ่มมีความแน่ใจมั่นใจว่าเออเราสามารถกินได้ตลอดแน่นอนแล้วก็สังเกตด้วยคอยสังเกตสุขภาพร่างกาย ว่าเอ๊สุขภาพร่างกายเราเนี่ยมันจะป่วยมันจะเจ็บมันจะไม่สบายหรือว่าอ่อนแอลงไม่แข็งแรงอะไรหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเองก็ไม่เป็นไรนะปรากฏว่าไปไปมามาเนี่ยตั้งแต่ก no ินมังสวิรัต์มาไม่ค่อยเจ็บป่วยได้่า้อะไรเลยหลายอย่างที่เคยมีเคยเป็นกลับหายไปด้วยซ้าไป เพราะนั้นก็เลยยิ่งยิ่งแน่ใจยิ่ ง, ย, งยืนยันก็เลยตั้งแต่ปีสองหนึ่งนั้นเป็นต้นมาก็เลยกินมังสวิ ร, รัตมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ทั้งๆ ท, งที่ตั้งแต่ฝึกกินมาเนี่ยตั้งแต่ปีสองหนึ่งอาตมายังไม่ได้มาวัดเลยนะยังไม่เคยเข้าหาหมู่กลุ่มที่เข้าปฏิบัติธรรมเลยยังไม่เคยเลยก็อยู่บ้านนี่แหละทำงานทำการอะไรไปปกติ แต่อันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงเนี่ยอ น, นิสงแลวก็คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราปฏิบัติจริงแล้วมันมีมรรคมีผลจริงๆไม่มีคำว่าสูญเปล่าแล้วพอทำได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่างกายที่เจ็บป่วยน้อยลงนะหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บบางอย่างหายไปเท่านั้นโดยเฉพาะจิตใจอาตมารู้สึกว่าจิตใจเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยความรู้สึก เห็นใจความรู้สึกเมตตาคนอื่นเพิ่มขึ้นเยอะไม่งั้นสมัยก่อนนี่ขี้โกรธเหมือนกันกี้โมโหเคยมีหลานๆเนี่ยลูกของพี่ชายบางทีดือ้อบางทีซนพูดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเชื่อฟังแล้วกโกรธบางทีนี่อัตมากโกรธนั่นก็อยากจะให้เขาดีเนี่ยแหละแต่โอโ้โหโกรธบางทีตีตี ต, ต, ตีเพราะว่าเขาไม่ไม่เชื่อฟังเราอะ่ะบางทีเราอดไม่ไหวก็ตีตี แล้วแต่ก่อนที่ยมตีมากด้วยพอรู้สึกว่ามันมันแก้ปัญหาง่ายอะ่ะมันแก้ปัญหาเร็วกตีอย่างน้อยๆเขากลัวเราเขาก็ต้องทําดีอะ่ะเขาต้องทําตามที่เราบอกวันแต่ก่อนจะใช้แต่ไม้แข็งเพียงอย่างเดียวนะแล้วก็ตีเพียงลูกเดียวแต่พอตอนลหลังเนี่ยพอได้ฝึกกินบางสวิรัตแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะจิตใจเริ่มอ่อนโยนขึ้นแล้วเริ่มแก้ปัญหาโดยวิธีที่สันติ ใช้วิธีที่สงบแก้ไม่ได้คิดแต่จะใช้ความรุนแรงแก้เออมันมันมันไปเองนะเพราะว่าเราศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยแค่สีลห้าข้อเนี่ยนะสี่ข้อที่หนึ่งซึ่งก็จริงๆริสี่ข้อที่หนึ่งนี่จะเน้นเรื่องของการลดความโกรธเพราะว่าสีลข้อหนึ่งเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนใครเขาเนี่ยจริงๆก็คือเป้าหมายเจตนาที่ให้เราเนี่ยหัดลดความรุนแรงลง เพราะนั้นพอเราฝึกไปจริงๆมันได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นจิตเริ่มเริ่มมีเมตตาหรือว่าเริ่มมีความเห็นใจคนอื่นเข้ามากขึ้น <c oughs> ก็ขนาดเราเนี่ยไม่ไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยเราเห็นใจชีวิตสัตว์โลกอื่นๆนะแล้วคนคน่ะคนซึ่งเราถือว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งกว่าสัตว์โลกอื่นๆอีกเพราะั้นความเมตตาความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น ไม่งั้นแต่ก่อนเนี่ยอาตมาคิดอยู่แต่ว่าเออเราเรียนจบแล้วเราทำงานทำการเรามีเงินใช้อะไรก็คิดแต่ความสุขของตัวเองอ่ะเดี๋ยวเก็บเงินไว้กับแฟนเสร็จแล้วเราก็จะได้แต่งงานแต่งการแล้วเราก็ อ, าอะไรอะ่ะทำงานให้มันจเจริญรุ่งเรืองมีความสุขในชีวิตไปก็คิดอยู่แต่ตัวเราเอง ส, ส่วนใหญ่ แต่พอเราเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นเราเริ่มคิดถึงคนอื่นคราวนี้จําได้ว่าแต่ก่อนไม่เคยคิดบริจาคไม่เคยคิดทําบุญทำทานอะไรเลยนะแต่ปรากฏว่าพอเริ่มปฏิบัติธรรมไปจิตมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเลยเกิดเองเลยนะคราวนี้ไม่ไม่ต้องมีใครมาอบรมสั่งสอนก็ได้แต่มันจะเกิดโดยสภาวะของการที่เราเนี่ยลดละกิเลสหรือว่าลดละความ จะเอาแต่ใจตัวเราเองหรือความเห็นแก่ตัวนั่นเองลดลงไปพอลดลงคราวนี้เงินทองที่เคยบางทีทำงานแล้วเราหาเงินมาได้มันเริ่มคิดถึงคนอื่นน่ะยิ่งบางทีเวลาเขาประกาศว่าเออที่จังหวัดนั้นที่จังหวัดนี้เอาภาคใต้เกิดอุท ก, กภัยน้ำท่วมโอ้โหคนลำบากจิตมันจะรู้สึกเลยนะว่าโอ้โหมันมันมันน่าจะช่วยเขานะเขาลาบากนะ หรือที่นันที่นี่โดนอักคีภัยไฟไหม้แล้วเขาก็โอ้โหไม่เหลือบ้านช่องเลยมันทันทีเลยจิตมันจะรู้สึกว่าเออเราพอมีเงินทองเหลืออยู่บ้างเนี่ยเราก็น่าจะช่วยเหลือคราวนี้เนี่ยจำได้ว่าที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่แม้บริจาคหมดเนื้อหมดตัวนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะอย่างน้อยๆเราก็มีเก็บไว้ใช้ของเราบ้างแต่พอถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเงินมันจะเหลือมากขึ้น เงินมันเหลือมากขึ้นเพราะอาตมาเองเนี่ยเรียนเรียนจบสายครูมาก็มีเพื่อนครูหลายๆคนที่ที่ไปเป็นครูแต่อาตมาไม่ได้ไปไปเป็นครูนะอาตมาก็มาทํางานอาชีพเอกชนอะไรต่างแต่เพื่อนที่เป็นครูเนี่ยหลายคนเลยไปเป็นแล้วเงินเดือนไม่พอใช้เพราะอะไรอะ่ะเพราะยังไม่ไม่แก้นิสัยเดิมคือเพราะว่าอย่างอย่างพวกอาตมาเนี่ยเรียนกันมาเนี่ยรู้กันดีอยู่ยิ่งเป็นผู้ชาย บางทีอ้าวขนาดสมัยเรียนอยู่กเ็เฮ้ยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยอ้าวบางครั้งก็ยังไปเที่ยวเตเฮฮากินเหล้านะสูบบุหรี่เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาเงินไม่พอใช้อะไม่เคยพอใช้เลยแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่พอเริ่มถือศีลเนี่ยไอ้ที่เราเคยกินเหล้าแล้วเคยสูบบุหรี่แล้วเคยติดอะไรที่มันฟุ้งเฟ้อ หน้าเที่ยวเตเฮฮาแรงต่างมันเริ่มค่อยๆจางออกค่อยๆงดค่อยๆเว้นเลยปรากฏว่าเงินก็ค่อยๆเหลือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรานั้นคราวนี้ยิ่งพอถือสีขึ้นมาได้โอ้โหเงินมันก็ยิ่งเหลือมากก็่าที่ทันตาเห็นเลยนะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเมื่อนั้นทันทีเลยเงินเริ่มเหลือทันทีเลยแล้วไม่ต้องให้คนอื่นพิสูจน์เราพิสูจน์เองเห็นชัดเจนจริงๆ วนพอตอนหลังเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะบริจาคบางทีได้ยินว่าทางเหนือเขาโอ้โหอหน้าหนาวนี้นะปรากฏว่าอุ่มภูนลดลงต่ํามากนะบางทีพวกชาวเขามั่งพวกชาวบ้านที่อยู่ในที่ที่อากาศมันเย็นจัดโอโ้ถึงกับหนาวตายโอ้เราฟังแล้วใจเรารู้สึกเลยว่ะเออเราพอจะช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยวันบางทีนี่ก็ซื้อ พวกผ้าหม่มนะแล้วก็อา้าวก็ส่งไปนะเพราะว่าบางที่บางแห่งเขาก็จะมีคนที่เอาของพวกนี้ไปแจกถึงมือผู้ที่ยากลำบากเราก็ร่วมกับเขาก็ช่วยเขาไปหรือจำได้ตอนนั้นบูนิทิโกโมอนคีมทองนะสมัยก่อนอ น, นั้นนะเขาก็มี อ, อะไรอ่ะเขาออกเป็นเหมือนกับ เ, เหมือนกับหนังสือพิมพ์หนังสืออะไร ฉบับเล็กๆน้อยๆอย่างนะเราก็จะส่งไปตามห้องสมุดไปตามโรงเรียนต่างเออเราก็อ่านเจอใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออก็อยากให้ในชนบทหรือว่าเด็กนักเรียนหรือว่าคนที่บางทีเขาไม่ค่อยมีหนังสือจะอ่านเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกให้ตามห้องสมุด ต, ตามโรงเรียนต่างๆให้เขาได้แบบว่าได้อ่านหนังสือดีๆบ้างเนี่ยจิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงทันทีเลย ซึ่งธรรมมาเห็นผลจริงๆแม้แต่ความขี้โกรธที่บอกแต่ก่อนนี้โอ้โหลงโทษหลานหนักๆแรงๆธรรมมาเคยนะแต่ก่อนเนี่ยโทสะแรงๆเพราะเขาทําได้ดีไม่สมใจเราอ่ะแมหรือพูดง่ายๆว่าเราพูดไปแล้วเขาไม่ทําดีอย่างที่เราบอกเนี่ยโค้งที่โกรธบางทีนี่หิ้วตัวเลยนะถ้าหลานนี่บางทีตัวไม่ใหญ่นะักะจับลอยเลย มีไม่เหลียวนีฟ่าฟาดฟาดฟาดฟาดเพราะบางทีเราเรียนครูมาแล้วก็ติดนะแล้วก็ติดแบบครูโบราณนะต้องตีตีตีตีตหัวมาตีนี่บางทีตีหลานเนี่ยแตกเลยเนื้อแตกเลยใช้ไม่เหลียวเนี่ยแหละตีโอ้โพอมาปฏิบัติทานี่รู้สึกลายใจมากมากเลยโอ้โหแต่ก่อนทำไมเราจะต้องอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงถึงขนาดนั้น เพราะว่าพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเริ่มมองเข้าหาตัวเองมันไม่ค่อยมองไปที่คนอื่นแล้วนะถ้าเป็นปกติเนี่ยเรามักจะมองว่าไอ้คนนั้นทําไม่ดีอย่างงี้คนโน้นยังกินเหล้าคนโน้นยังสูบบุหรี่คนโน้นยังอะไรต่ออะไรแต่พอมาปฏิบัติธรรมซึ่งอันนี้เป็นหลักการของาศาสนาพุทธเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยใจใส่ใจไม่ค่อยสนใจเราก็เลยไม่รู้นะพผู้เจ้าสอนเลยแม้แต่ภิกษุที่มาบวชใหม่เนี่ย ผู้เจ้าสอนเลยบอกว่าอ่านี่เธอเพิ่งบวชมาใหม่นะวันให้เธอเนี่ยดูแต่ศีลหรือว่าดูแต่การประพฤติปฏิบัติของตัวเองแล้วไม่ต้องไปเที่ยวดูภิกษุอื่นว่าเขาจะเป็นยังไงอันนี้ที่ผู้เจ้าตรัสไวเลยนะเพราะฉนั้นเนี่ยหลักการของศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งมาถือศีลมาปฏิบัติทำใหม่ๆด้วยเนี่ยพยายามมองตัวเองให้มากเพราะอะไรเพราะโดยปกติของคนเราแี่ะ หรือโดยกิเลสของคนเรามันมองออกตัวมันมองไปข้างนอกโดยเฉพาะเรื่องจับผิดคนอื่นโอ้เก่งมากอัตมาเนี่แต่ก่อนนี้ยิ่งเรามีการศึกษาเรามีการเรียนรู้อะไรต่างๆมายิ่งคุณรู้มากคุณรู้ดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจธรรมะยิ่งจะออมองคนนั้นก็ผิดมองไอ้นี่ก็ผิดมองไอ้นันก็ผิ ด, อผดเอ้อย่างนี้ ไม่ฉลาดอย่างนี้ทําไม่ถูกเนี่ยอะไรแล้วรับรองเลยครูจะเป็นคนอารมณ์กุญจิตร่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะมองเห็นอะไรอะไรก็ไม่สบายหูไม่สบายตาทั้งนั้นเลยแล้วก็จริงไหมละ่ะจริงด้วยนะก็มองไปจะเ่ยอ่าหลานหลานก็ทําไมไม่ดีทําไมเก่งเมล์เกเรทําไมมันดือ้อทำไมไม่เชื่อฟังมันก็จริงเธอด้วยสิแต่เราก็มองแต่ไอ้มุมไม่ดีอย่างเงย ว่าในหัวใจคนนั้นมันก็มีแต่ไอ้มุมไม่ดีอยู่ในใจแล้วใจที่มันมีอะไรสะสมไว้แต่ไม่ดีไม่ดีแล้วใจคุณจะดีได้ยังไงมันคนใจที่ดีได้มันก็ต้องสะสมสิ่งดีๆไว้ในใจด้วยใจถึงจะดีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยอย่างแรกเลยแม้แต่ในมรรคองแปดผู้เจ้าถึงแนะนําข้อที่หนึ่งเลยคืออะไรสัมมาทิฏฐิ จะต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่ า, าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่เรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะปรากฏว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยบางทีเรายังไม่ค่อยได้คิดถึงเลยเพราะเวลาเรามองคนอื่นว่าเร า, เราไปคุยกับใครนันเราคิดอะไรกับใครมิจฉาทิฏฐิมันมาก่อนหรือพูดง่ายๆคือกิเลสของเรามันทางานก่อนเลย บางทีเนี่ยเราจะคิดแง่ลบหรือว่าถ้าใช้สำนวนในปรตัตตยวิดกนะอาจจะแบบว่ามักจะเพ่งโทษคนอื่นคำว่าเพ่งก็คือเพ่งดูเพ่งมองนอู่แหละโทษนี่ก็คือสิ่งที่ผิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะมันจะมองแต่สิ่งที่ผิดส่วนบางทีดีบ้างหรือว่าถูกบ้างของเขาเนี่ยเราไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจ แต่ถ้าเวลาเพ่งตัวเองเป็นไงเพ่งเราทีไรเนี่ยเรามักจะเพ่งไอ้ที่ถูกของเราเะนะ่ยถ้าเวลาเถียงกันเนี่ยส่วนใหญ่ฉันถูกอะ่ะเธอผิดจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยวันถ้าหลักการอย่างของาศาสนาพุทธนี่ผู้เจ้าถึงสอนไปเลยสิ่งเหล่านีน้ี่มีอยู่ในคําสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดละชีวิตประจําวันของเราเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าจนไปกระทั่งนอนนี่นะผู้เจ้าสอนไปหมดทุกอย่างเลยเพียงแต่ใครเนี่ยไปศึกษาหรือเปล่า แม้แต่ละกีเรื่องพูดพระเจ้าท่านสอนเลยนะว่าแล้วเราพูดเราพูดจากับเพื่อนฝูงพี่น้องหรือว่าคนอื่นคนไกลก็ตามเวลาพูดถึงความผิดของคนอื่นเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพูดน้อยๆหน่อยเพราะกิเลสของเราเนี่ยมันอยากจะพูดความผิดของคนอื่นเขามากแต่ถ้าเป็นความดีของเขาพระเจ้าบอกว่าอ้าวอันนั้นพูดเยอะๆถ้าพูดความดีของคนอื่นเขาพูดเยอะๆ แต่ถ้าเป็นตัวเราเองล่ะพุทธเจ้าก็บอกว่าพูดความผิดของเราเนี่ยให้มากๆพูดให้มากเพราะพอเวลาถึงความผิดของเราเองพูดนิดเดียวหรือบางทีไม่ยอมพูดเลยชอบปกปิดชอบเก็บเก็บงำความผิดของตัวเองเพราะถ้ามาบวชเป็นพระนี่พุทธเจ้าไอ้นั่นเลยนะเอาเรื่องเลยนะอาไม่ได้พุทธเจ้าบอกต้องหัดเปิดเผยถ้าเป็นความผิดของตัวเอง วันผู้ที่บวชเป็นพระเนี่ยทุกๆปั ก, ปกหรือทุกๆสองอาทิตย์ต้องมาปงอาบัตทําผิดอะไรไปต้องมาเปิดเผยต้องมาปรองอาบาัตวันผู้ที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้วคุณเก็บความผิดไว้ไม่ได้เลยจะต้องมาเปิดเผยความผิดแล้วถึงจะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะถ้าปกปิดความผิดไว้ตราบใดก็ยังถือว่ามีมนทินยังไม่บริสุทธิ์ วันเนี่ยเยหลักการนี้ผู้เจ้าท่านก็สอนเอาไว้แต่ท่านเริ่มจากพระก่อนที่บวชวันผิดอะไรมาบ้างเนี่ยก็ต้องมาโปรงอาบัตนะหรือเราเรียกว่ามาฟังสวดพระปฏิโมกษ์นะอันนี้ถ้าถ้าเป็นในทางพระแต่ตอนนี้ถ้าเป็นฆราวาสนะผู้เจ้าท่านก็แนะนําเหมือนกันว่าต้องหัดเปิดเผยโดยเฉพาะความผิดของเราแต่ท่านก็สอนอี่เหมือนกัน ว่าต้องเปิดเผยกับบุคคลที่เหมาะที่ควรหนะ้าที่สามารถที่จะแบบว่าแนะนําหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเราได้เพราะเราซีซัวไปเปิดเผยอาจจะเจ็บหนักกว่าเก่าก็ได้นะหรือเปิดเผยไปแล้วอาจจะยิ่งทําให้เรื่องเสียหายเรื่องเลวร้ายไปกว่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลต่างๆเหล่าเนี้ยจากการที่ได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติโออัตมารู้สึกเลยว่าตัวเองนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะ เไมนงั้นแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เรียนจบแล้วทํางานรู้สึกเคร่งเครียดนะเมื่อกี้ฟังคุณจําลองพูดมาอตาตมา ย, ยังนึกอยู่เลยบอกเออจริงๆนึกย้อนไปเลยโอ้แต่ก่อนนี้จะนอนแต่ละคืนเนี่ยก่อนนอนนอนไม่ค่อยหลับอะบางครั้งนี่ก็คิดโน่นคิดนี่คือคือไม่ได้ไปคิดเลอะเทอะอะไรอ่นะแต่บางทีมันคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะทําอะไรบ้างจะอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างน้อยน้อยครึ่งชั่วโมง กว่าจะหลับได้เพราะมันมีเรื่องให้เราคิดอะไรต่ออะไรวางไม่ค่อยลงเพราะมันไม่ค่อยได้ฝึกวางนะมันฝึกแต่จะปรุงคิดอะไรต่างๆนานาอยู่เรื่อเยเลยแต่พอมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเริ่มฝึกวางบ้างอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บางทีโอ้ไม่จำเป็นต้องไปคิดเลยนะทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราบ้างหรือบางทีเป็นเรื่องที่อะไรอะ่ะไม่ได้สลักสาคัญอะไรในชีวิตเราเลย เป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยโดซ้ำไปบางครั้งไม่เห็นต้องไปคิดอะไรมันเลยนะพออย่างเงี้ยเราเริ่มตัดออกไปได้โอ้ทุกวันนี้ จ, จะมานอนนี่ค่อนข้างจะเรียกว่าพอล้มตัวลงไปนอนก็หลับแล้วหรือบางทีก็อาจจะ อ, อะไรอ่ะพิจารณาอาจจะใช้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใหม่ๆเนี่ยตอนที่มาฝึกอา่า ฝึกปฏิบัติธรรมมันฝึกไปหมดแล้นะนีเนียเรื่องกินเรื่องพูดจาเรื่องอะไรต่างๆแม้แต่เรื่องนอนจำได้ว่าใหม่ๆก็หัดนอนสีหาสายญาต์นอนตะแคงขวาเนี่นะเพราะว่าเราศึกษามาก็เอาพูะเจ้าท่านสอนให้คนเราเนี่ยหัดนอนให้มีสตินอนไม่ใช่แบบคือมันจะมีแบบต่างๆนนะนอนแบบเอ่ออะไรอะ เปรตสาย ญ, ญาติไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่านอนแบบเปรตสาย ญ, ญาติรู้ไหมนอนแบบเปรตสาย ญ, ญาติยังไงนะก็นอนแบบศพนี่แหละนอนแองแมงเลยนอนสบายเลยนอนแผ่เลยจะนอนพ่อมนอนไงอะไรก็แล้วแต่นอนแบบเปรตสาย ญ, ญาติเลยนะอันนี้เป็นท่าที่แย่ที่สุดพูดง่ายว่า เ, เวลาเราหลับไปในลักษณะนี้เนจิตมันไปไหนต่อไหนฟุ้งไปเรื่อยแล่ะแล้วแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งใครไปสะสมอะไรไว้ในหัวสมองบ้างเพราะว่าสติเวลาเรานอนเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรให้รู้ตัวบ้างในการคุมความคิดแล้วบ้างเนี่ยมันก็ไปเลืวเลอเทอะสมมุติว่าเป็นสายโทรศัพก็ไปคิดในเชิงรุนแรงเชิงโทรศัพใครใส่ สายโลภะสายความโลภไปแลวลับไปเนี่ยนะคุณไม่มีสติแล้วเนี่ยมันก็ไปในสายแบบนั้นเลยนะจริงจริงมันไปตามที่มันจะไปที่มันอยากจะไปใช่ไหมเพราะนั้นยังเป็นสายญาตเนี่ยไม่แนะนําให้นอนเลยนะส่วนอย่างที่สองก็เป็นกามาโภกีสายญาตนะิให้นอนตะแคงนอนตะแคงข้างซ้ายนะเขท่านก็เรียกว่ากรามรมาโภกีสายญาตินะคนที่ยัง บำบลุมเลอตนด้วยกามอยู่ก็จะนอนลักษณะนั้นแต่ส่วนตอนนี้นะก็เป็นสีหส์สยญาติคือนอนตะแคงขวาอันนี้พระเจ้าท่านให้ให้พวกเราฝึกหละถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราศึกษาธรรมะทำไมอะ่ะทำไมต้องฝึกอันตมาจจำได้ว่าแต่ก่อนก็นอนตามสบายนะจะตะแคงจะคว่ำจะหงายก็ตามใจเราเพราะนั้น เวลานอนแล้วไปแล้วไม่ค่อยมีสติมันปุ่มมันฟุง้งมันฝันมันอะไรไปตามเรื่องแต่พอเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยนอนแล้วเราก็ฝึกคราวนี้ก็พยายามนอนตะแคงบันที่ตื่นขึ้นมาอา้าวเปรอีกแล้วถ้าเปรอีกแล้วเพราะว่าเราเราใหม่ๆเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยมีสติแต่พอฝึกไปฝึกไปฝึกไปนอนตะแคงขวาไปเรื่อยๆเออมันได้จริงๆแฮะแล้วคราวนี้นอนไปเนี่ยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยฟุง้งไม่ค่อยฝันละ อันนี้เป็นอา น, นิสงเลยผู้เจ้ามีตัดเอาไว้ถ้าใครฝึกนอนได้เนี่ยจะพักจิตได้ดีขึ้นจะพักจิตได้สบายขึ้นเพราะสังเกตไหมบางคนเนี่ยนอนโอ้โหตั้งหลายชั่วโมงแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงแต่ตื่นมาแล้วยังโอ้โหรู้สึกไม่ค่อยปลอดโปร่งไม่ค่อยแจ่มใสเลยหัวสมองยังตึงๆตื้อๆเลยเพราะว่าตอนที่เราหลับอยู่เนี่ยบางทีโอ้โหมันไปเที่ยวเหนือล่องใต้ หรือบางทีนี่ไ่ายน้ำหนีเจร ะ, ะเข้มั่งนะคือคือแล้วแต่ว่าใครจะฝันไปเรื่องอะไรหวัวใจมันไม่ได้พัก